สำหรับวันนี้ก็อยาอนามาบุคคลตัวอย่า ง, ง เ, าเรื่องในการเจริญพุทธานสุสติกรรมฐานทำเพียงเล็กน้อยตายแล้วได้เป็นเทวดาเมื่อขณะไปเป็นเทวดาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวาระเดียวก็ได้เป็นพระโสดาปฏิผล ตอนนี้เพื่อความมั่นใจขอวัรดาท่านพุณบริษัททั้งหลายที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมไม่มีโอกาสจะบำเพ็ญกุศลนั่นเป็นเรื่องไม่จริงความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเองเรื่องนี้ในเบอร์การหนึ่งตามที่เคยฟังมาเสมอ ว่ามีท่านบางท่านว่าบุคคลใดนับถือเทวดานับถือพรหมหรือเทวดาหรือพรหมเป็นของไม่มีจริงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาพิสุสมณนทั้งหลายจะพิสูจน์คำสอนเขา อ, องค์สมเด็จพระจอมไตรได้เพราะใช้การปฏิบัติตนให้เข้าถึงทิปสุจวญญานหรือว่าธรรมโนวิธี จนอย่าทำตนเป็นคนตาบอดคลำช้างคนประเภทตาบอดคลาช้างนี่ความจริงถ้าไปคลำถูกขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสาคลำถูกหางก็คิดว่าช้างเหมือนไม่กวาดคลำถูกงวงก็คิดว่าช้างนี่เหมือนกับปลิง ถ้าคำถูกงาก็คิดว่าชานี้ช่างนี้เหมือนกับไม้หรือว่าหอกเต็มแหล ม, หลมเป็นอันว่าตาบอดเท่าสี่บอดไม่มีประโยชน์ในได้รับการความเป็นจริงจากช่างเลยข้อนี้มีประม า, ชายชั้นใดแม้คำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก็เชน่นเดียวกันเคยฟังมาเสมอ มีคนค้านว่าเรื่องเทว ด, ดาเรื่องพรหมไม่มีจริงแต่ว่าเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสจริงท่านผู้พูดนั้นเป็นใครก็ช่างก็จำกันไว้แต่เพียงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่ใช่สาวกขะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าเป็นสาวกทะครับไรากาศตนเป็นสาวกก็ชี้ว่าเป็นสาวกใจบอดไม่ใช่ตาบอด อันนี้ก็ราะว่าเรื่องตานี่จะเห็นทวดาเห็นพรหมเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกไปได้ก็อาศัยใจเป็นสําคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่กําลังสดับอยู่จงอย่าเป็นผู้ใจบอดตาบอดให้ดีกว่าใจบอดถ้าตาบอดถ้าใจเป็นทิพย์เราก็เห็นทิวดาเห็นพรหมเห็นสวรรค์เห็นนรกได้เรื่องนี้ของใครจะว่ายังไงก็ช่างเราฟังเรื่องของเราต่อไป เป็นอันว่าพระบาลีทิ้งกล่าวว่าฝ่ายพระคาถาที่สองว่านี่หมายถึงว่ามนโนปุพังคมาธรรมาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าใจาเป็นพุทนนาใจาประเสริฐสุสดด้วยใจเป็นใหญ่สําเร็จที่ใจถ้าใจคิดดีป่ากก็พูดดีใจคิดดีกายก็ทําดีถ้าใจคิดชั่วป่ากก็คิดชั่วใจทําชั่วใครใจคิดชั่วกายก็ทําชั่ว เป็นอันว่าวาจากับกายจะเป็นไปได้ก็อาศัยใจเป็นสําคัญวันนี้องค์สมเด็จตัวทรงทันหรือวต่ตอนนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้ผมพูดแต่ว่าที่พูดที่พู้กลางตําราพูดที่พระบาทมสมเด็จพระหัวท่านทรงตรัสว่าที่ใช้อาศัยบาลีเป็นพื้นฐานเกรงว่าชาว บ, บ้านเขาด่าหรื อ, อยังไง ผมก็ถวายพระพรไปอบอกว่าไม่ใช่โรชาวบ้านดา่าเพื่อเป็นพื้นฐานจริงๆบรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะได้มีความมั่นใจว่าเรื่องที่กล่าวไปนี้ไม่ใช่ขู้โม ม, ม์มาเอาแต่คนเดียวเรื่องมัตตกุณฑลีเทพประ บ, บตุติความจริงท่านหลายท่าคิดว่าฟังแล้วนี่แต่เข้าใจว่าไม่เหมือนกันแนะ่เพราะคราวนี้เราฟังกันอย่างละเอียด ข้าก่อ น, อนเอาแต่ขวอข้ อ, ขอเรื่องอ ย, ย่อย่มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเพราอนั้นว่าพระบาลีเร่งกล่าวอย่างนี้บอกทั้งกล่าวว่าฝ่ายระถาที่สองว่าพโนปพังคมาธรรมาเป็นต้นเป็นเนื้อความมีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตร์สนาสัมมาสัพพุติเจ้าทรงประรับมัตตุณลีเทพบทุตร แล้วจึงได้ตัสราคาฐานนี้ในกรุงสาวัตถีความก็เรื่องนี้มีอยู่ว่ามีพระอนนท์ท่ากล่าวนะเอวอมีสุดตังเอ็กังสมัยยังพระกว่า <c oughs> ท่านขึ้นภาษาบาลีแบบนี้เสมอมายี่ยมเรื่องตัวคนท่านท่านกล่าวว่าดังได้สดับมาแล้วในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่ง ชีว่าอาทินากะปุพกกะเขาไม่เคยให้อะไรเสียงใดๆกับใครเลยเพราะฉะนั้นไปชุมชนใจะให้ใช้ชื่นพรามนี้ว่าอาทินากะแปลว่าพรามที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยพรามประเภทนี้เขาไม่เรียกว่าคนขี้เหนียวเขาเรียกว่าคนขี้แข็งไอขี้เหนียวนมันยังดึงยืดดึงแรงแรงมันก็อาจจะหลุดได้ แต่ตาพรามคนนี้แกขี้แข็งจริงๆดึงไม่ออกขึ้นชื่อว่าของนิดหนึ่งไม่เคยให้แกใครในชีวิตขง้งแกตั้งได้เกิดมาชนกระทั่งวันนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าถึงวันตายฟังของเขาต่อไปผมมันอดจะไถเอานอกเรื่องไม่ได้ตามพระบาลีต่อไปว่าเขาได้มีบุตคลเดียวเป็นที่รักจรนที่พอใจอย่างยิ่ง ต่อมาภายหลังเขาอยากจะทำเครื่องประดับให้แกลูกชายเขาก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจะช่างจ้างในช่างทองให้ทำเครื่องประดับประดับที่ทำไป็ต่างหูก็จะต้องเสียค่าแรงงานทองของเรามีแต่ให้ช่างมาทำช่างก็ต้องเรียกค่าแรงงาน เขาเอางคิดว่าไอ้เราก็ทำเป็นนี่เรื่องอะไรเนาะที่จะต้องไปนั่งจ้างช่างใอ้ดูน้ำใจของแกแตาพรามคนนี้แกมีทรัพย์ทั้งแปดสิบกดนี่พูดนึงทรัพย์ที่เป็นเงินที่จัดจ่ายใช้สอยเรื่องทองเรื่องเพชรนิว่ากันนะฮากแกไม่อยากจะจ้างช่างแกก็ทำของแกเองในความรักลูกจึงได้แพรทองคำ ทำให้เป็นตาหูกเกลี้ยงเกียงสร็จแล้วก็ให้ลูกชายของตอนประดับดะนั้นลูกชายของตอนยิงปรากฏชื่อว่ามัตตะกุนดลีคำว่ามัตตะกุลดลีนี้ก็แปลว่านายต่างหูเกลี้ยงจาไว้ดีนะมัถกะุนดลีแปลว่าต่างหูเกลี้ยงคือเกลี้ยงเฉยๆมีทองคำเฉยๆไม่มีเพชรไม่มีลอยประดับ ดังนั้นชาวบ้านยังเรียกว่านายต่างหูเกลียงนายต่างหูเกลียงขอย่างนั้นแต่ฟังตามา ร, ตราษาวลีท่านพ่อมัท ธ, ธคุณดัลลีเป็นกล่าวต่อไปว่าในเวลาเมื่อบุครคนนั้นโตได้อายุสิบหกปีเธอก็เป็นโรคพร้อมเหลืองโรคพร้อมเหลืองนีสงสัยว่าจะเป็นโรคขาดอาหารมากกว่า ว่าเสถีขี้แข็งนี่แกคงไม่ทําอะไรดีๆจะกินมุกคนท่านผู้เป็นมัรดามองดูหมดแล้วจึงกล่าวกับท่านผู้เป็นบิดาว่วาพราม์ท่านพราหม์นี่โรคไม่เกิดทีก่กระบุตรชายของเราหระบุตรชายของท่านท่านจงไปหาหมอมารักษาลูกได้เถิดดีไม่ดีลูกขอเราจะตาย ไห้เราไดมันหาลูกยากทำเกือบตายได้ลูกมาคนเดียวนี่ผมว่าในวารีไม่ได้ว่าไอตาพรามขี้เหนียวก็ขี้แข็งจะตอบว่านินาผู้เจริญถ้าจะเราจะหาหมอมารักษาเราก็จะต้องเสียฝังข้าวให้กับหมอภาษาโบราณค่าจา้างเขาเรียกวฝังข้าว หล่อนนี่ช่างไม่มองดูความสิ้นเปลืองของรับสิ้นเปลืองทรัพย์ของเราเสมั่งเลยเนี่ยไปหาหมอมาได้เลยหมอไม่คิดราคาแพงยาราคากะหาปณะห น, หนึ่งมันก็คิดตั้งโฮย้ยไมทำไมไม่รู้เท่าไหร่นี่มีคนช่างคิดเป็นนักเศรษฐกิจนางพระมณีผู้เป็นพัญญาจะนถามว่าถ้าเช่นนั้น ท่านจะทําอย่างไรกับรูปของเราพระพรามก็ตอบว่าทรัพย์ของเราที่มันจะต้องไม่ขาดตกบกทร่องจากจํานวนแปดสิบโกดไปด้วยกรณีใดๆเราจะทําอย่างนั้นถ้าแกนั่งรักษาทรัพย์จํานวนแปดสิบโกดจนนี่แสดงว่าแกไม่เคยเอาทรัพย์ไปเสื้ออะไรมากินเลย เขาจะหาผักหายาหาปลาตามภาษาที่เขาจหาได้ฉะนั้นโรกชายจึงเป็นโรคขาดอาหารนั่นพรามนั้นจึงได้คิดว่าเราจะทํายาอะไรดีหนอจึงไปบ้านหมอถามเขาว่านี่พอหมอจ๋าถ้าคนเป็นโรคผมเหลืองแบบนี้นะบางเอญจะมีคนมีมีคนเกิดเป็นโรคอย่างนี้ขึ้น คุณหมอจะให้ยาอย่างไรแกเขาแล้วเมื่อบรรดาหมอท่านหลายได้ฟังก็บอกยาเกร็ดๆคือว่ายาพื้นฐานที่ชาวบ้านชอบใช้ที่เข้าเปลือกไม้บ้างรากไม้บ้างเป็นต้นแกเขาตาพรามพอได้ฟังว่ายาที่คนเป็นโรคแบบนี้ก็ใช้แบบนั้นแกก็เข้าป่า <c oughs> บำเพ็นตนเป็นหมอแปลย า, าประเภทที่เขาบอกมาฮะมาประกอบให้กัลูกชายกินความจริงไอ้วัตถุหรือว่าสมุนไพรามาจะถูกต้องแต่ส่วนสัตว์เนี่ยมันไม่ถูกต้องเมื่อส่วนสัตว์ไม่ถูกต้องยามันก็ไม่มีผลการตรงยาไม่ใช่รู้แต่ชื่อยาต้องอยู้รู้จักกำลังของยาด้วยยาสมุนไพร ตาโบราณปัญญาภาษาโบราณท่านบอกว่าใบนี่มันมีรสอย่างหนึ่งเปลือกมีรสอย่างหนึ่งแก่นมันมีรสอย่างหนึ่งรากมันมีรสอย่างหนึ่งมันอาจจะรักษาโรคคุณโรคนี่เมื่อเขาบอกว่ายานี่เข้าเปลือกไม้อีตาพรามณ์ก็อยากจะให้โรคของแกหายเร็วๆแกล่อรากไม้ก็ให้เมื่อเอายาชนิดนี้มาให้โรคชายกินโรคมันก็กำเริบขึ้น จนเข้าถึงระดับที่เขาเรียกว่าตรีทูตในภาษาโบราณภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าโคมาไอ้โคมาเนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ภาษาไทยถ้านยบอกเราเียกโคกะมะนางก็แย่เหมือนกันโคมันก็ต้องไถนายม้ามันก็วิ่งเร็วก็ใช้ไม่ได้เดือกโคเป็นอันว่าเป็นโรคที่คนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ รามตกใจคิดว่าคราวนี้ลูกชายเขาเราแย่แล้วเป็นคนทุกขลลภาพไร้สมรรถภาพตอนนี้ตัดสินใจไปหาหมอมาคนหนึ่งให้มันดูลูกชายหมอคนนั้นมาตรวจดูแลเห็นว่าถ้าจะไปไม่ไหวคืนรักษาก็เสียชื่อหมอหมอคนนี้คงจะไม่ใช่หมอซะแล้วดีไม่ดีหัวสระอาหาย เจ๊กลายเป็นหมาไปหมอแกก็เลยบอกว่าแทนที่จะบอกว่ารักษาไม่ได้เจก็บอกว่าท่านพราหมณ์ผมเรามีมมกิจธุระสาคัญอยู่ที่อื่นจำเป็นที่จะต้องไปที่อื่นรับขอท่านพราหมณ์โปรดหาหมออื่นมารักษาก็แล้วกันนี่ความจริงหมอก็มีบรรัญญาจรงิง เมื่อหมอบอกเลิกในการารักษากับพราหมณ์แล้วก็ลาไปท่านพราหมณ์ท่ายังไงท่านพราหมณ์รู้ว่าเวลานี้บุตรของเราเห็นท่าจะไม่พ้นจากความตายแกก็มาคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าบรรดาชนท่านหลายมีญาติเป็นต้นเมื่อทราบว่าบุตรของเราเจ็บไข้ไม่ส บ, บายหนักก็จะพาท่านมาเยี่ยมบุตร ถ้าเราจะลูกชายเขาเรานอนอยู่ในห้องที่เป็นสริริมีเครื่องประดับประดามากมีของมีค่ามากเขาก็จะอยากได้ของของเราดีไม่ดีก็อยากได้อยากนั่นอยากนั้นได้นี่ให้เราก็บางทีจะต้องให้มันก็เสียนไดของไม่ได้จะต้องรูปเขาเราเป็นนอนทที่ดาฉันบ้านดีเหมือนกันนี่แกรักลูกแต่มาก ยิ่งนำมาบกชาาบทชชายมันนอนที่ระเบียงข้างนอกเพื่อป้องกันที่คนทั้งหลายจะมาเยี่ยมลกกูกจะมองเห็นตามพระบาลีในตอนนี้กล่าวปรารบเทอองค์สมเด็จตุสมมาสมพุทธเจ้าฟังกันแล้วก็คิดตามด้วยนะอย่าฟังกันแต่เพื่อเรื่องนิทาน ตอนนี้เมื่แต่คุณเดลีเทพปรุตเกิดแล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายเขานี่จาไม่ด้วยเราก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าฟังปนฏิทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผมก็เหนื่อยเปล่าถ้าท่านนั่งฟังและคิดแล้วก็ผมก็มีแรงที่จะพูดกับท่านต่อไปเพิ่ง <c oughs> เคยปรารถนาว่าถ้าอยู่แล้วมีมีประโยชน์ ในการที่นำอภิธรรมคำสั่งสอนมาแนะนำพวกท่านผมก็อยากจะอยู่ต่อไปถ้าขณะใดที่พภธรรมคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรที่ผมนำมาแล้วไม่มีประโยชน์กับพวกท่านผมว่าผมไม่อยู่ดีกว่าไปนอนมาให้สบายที่บ้านใหม่สบายกว่า เป่นนั้นว่าในเวลานี้นี่จะลืมนะเป็นตอนที่เขาปรารพบพุทธเจา้าว่าในเวลาที่กำลังปัจจดสมัยรู้จักไหมล่ะปัจจุดสมัยแปลว่าเวลาใกล้่วงคือมันจวนส ว, าว่างวันนั้นสมเด็จพระผูทมีพระาาราพายเจ้าทรเสด็จออกจากพระออกจากสมหากรุณาสมาบัติ ฟังรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังต่อไปทรงแลดูโลกด้วยพระพุทธจักรสุขเอาละตอนนี้ที่ผมเคยดูพูดว่าพระพุทธญาณ น, เน่เข้าสมาบัติเพื่อมีความกรมหมหากุานาที่คุรจะสัตว์โลกทำจิตให้เป็นสมาธิสูงสุดตามกำลังของพระองค์ เมื่อถอนออก จ, จากสัมมาบัติแล้วก็ใช้ ย, ยานอันหนึ่งที่เรียกขึ้นว่าพระพุทธยานะวาลีบอกทรงแรงเล็งแลดูโลกด้วยพุทธจักรสุขแล้วก็ทอดประเนตดดูเหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอที่จะแนะนำได้ซึ่งมีกุศลมูล อ้กุศลนี่แปลหมายความมีรากเก่าของกุศลนี่ทำมาแล้วจากอเนกชาติมีความหนานแน่นในด้านของกุศลและมีความปรารถนาจะได้ทําไว้แล้วในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหมายความเคยมีบุญกุศลที่ทําแล้วในปางก่อนในเขาเคยทําอะไรบ้างแล้วถ้าพระองค์ใจช่วยจะมีประโยชน์อะไรบ้าง เลดทรงแผ่ตาไขา่เคื่อมนาจพระพุทยญาณไปไปในหมื่นจักรวาลหมายความว่าทั่วโลกนี้จักรวาลคือขอบเขตหนึ่งหนึ่งเพปรากฏว่ามัตตคุณดลีมานบปรากฏภาพขึ้นแล้วภายในขายคือพยานของพระองค์ โดยอาการนนอนที่รเราเบียงด้ือนเองท่านเห็นว่ามัตตโกณดลีเนี่ยนอนงแง่แก่อยู่ที่รเราเบียงท่านพ่อท่านแม่ท่านแม่เนี่ยสงสารแต่พ่อไม่สนใจโอ้สมเด็จพระจอมไตรเห็นชัดแล้วสมเด็จพระทรงสวัตรก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วทรงทราบว่าการทราบเป็นทราบด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์ เมื่อพระผู้บินดาํำเขาออกมาจากเรือนภายในแล้ว <c oughs> จากภายในเรือนแล้วให้นอนอยู่ที่ตรงนั้นยังได้ทรงตรมิต่อไปว่ามุกคนนี้จะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่หนอด้วยอาศัยเราที่ไปในที่นั้นกำลังทรงรำพรึงอยู่นั่นแดิมหนากำลังพยายามเขาพระโอน ก็ทรงเห็นเหตุว่ามานบคนนี้จะทาจิตให้เริยบใสในเราเวลาที่เขาทำกาละกาลังกตวาถ้าทากาละถ้าเขาไม่เรียกว่าตายทำกาละกาลังกตวาตายหมายความถึงเวลาที่จิตจะต้องเคลื่อนจากกายนี้นยะไม่มีคำว่าตายภาษาบาลีไม่เคยใช้ เวลาคนตายเี่เดวกาลังกตวานันทําำกาละแล้วเวลาที่ก็ตายแล้วจะเกิดในวิมานทองสูงสามสิบโยตในสวรรค์ชั้นดาวดดงสถิวโลกแล้วก็จะมีนางฟ้าไปนางอักษรเป็นบริวารหนึ่งพันฝ่ายพรหมจะทำชาบักญิตสรีระนั้นแล้ว แล้วก็จะไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกอยู่ในป่าเทพระบุรจกวองดูอัตภาพอันตนสูงประมาณสามสิบคาสามาวุธคือสามร้อยเซนหนึ่งาวุธเท่ากับห น, นึ่งร้อยเซนปออดับประดาไปด้เครื่องอลังการหนักประมาณหกสิบเล่มเกวนมีนางเทพอสอนเป็นบริวารแวดล้อมหนึ่งพันคนแ่น่าคิดแะน่าไปนะ ให้บา้านเราเนีนจะหาสักคนก็นแสนจะลำบาก <c oughs> ไปอยู่ที่นั่นมีนางฟ้าสวยๆตั้งสามตั้งหนึ่งพันคน <c oughs> ไม่ตัวหามาเองนัดีจริงๆหน้าไปเราตั้งต่ไปเมฆเทพประพฤตคนนั้นก็จะคิดว่าสิสมบัติอันนี้เราได้ไม่ได้กรรมอะไรหนอ เมื่อดำพึงอยู่อย่างนี้ก็ <c oughs> ここจะเลียงแลดูก็ <c oughs> ここจะได้ทราบว่าเราได้สมบัติชิ้นนี้มาทั้งหมดเล้ใสมีจิตรเรื่อมใส่ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่พาเจ้าเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าบิดาไม่หาหมอมาประกอบยาให้แกเราก็เกรงว่าทรัพย์จะหมดไป เดี๋ยวนี้ในป่าชาไปยืนอยู่ในป่าชาร้องไห้อยู่นี่เป็นการลำพืนเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในขณะที่ทรงใช้อำนาจกำลังทุพุธญาณดูปณิสัยของคนทรงทราบว่าเราจะทําเขาให้ถึงสึ่งการแปลดใจดังนี้แล้วด้วยความขัดเครื่องในวิดา อยากจำแลงตัวมาเหมือนกับมัตเตย์คุนเดลีมานกมาทํานองยืนร้องไห้ยอยู่ใกล้ใบาชาฉันเมื่อพรามนั้นเห็นเข้าก็จะถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเขาเองก็จะตอบว่าฉันเป็นมัตเตยคุนเดลีมานกบุตรชายของท่านท่านพราหมพรามจะถามว่าเธอไปเกิดที่พบไหน เทพประมุตก็จะตว่าฉันเกิดที่ภพดาวเดิพรามจะถามว่าเพราะกรรมอะไรเขาก็จะบอกว่าเพราะเกิดเขาเกิดจากจิตที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพรามจะถามเขาว่าขึ้นชื่อว่าความทำจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เพียงเท่านั้นแล้วเกิดในสวรรค์ น, นั้นมีหรือในเวลานั้นเขาเออเราก็จะตอบว่าเขาก็จะตอบว่าเราจะตอบเขาว่าไม่มีใครอาจจะํำหนดด้วยการนับไปว่ามีประมาณเท่าร้อยหรือเท่าพันหรือว่าเท่าแสนเป็น้ว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสโดยไม่ได้ไม่เคยทำบุญอะไรมาเลย <c oughs> ในเวลาที่ใกล้จะตายนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราภรณนากันว่าพุทโธจะมีคุณประโยชน์เกิดเป็นเทวดาอย่างนี้นับจำนวนได้แสนได้ล้านเท่านับประมาณนม้ได้เมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรทราบอย่างนี้แล้วก็จะพาสิทธิ์กจ้คาถาในพระธรรมบท ในการจบคาถาความตัดสรุธรรมจกมีแก่สัตตมานแปดหมณ่นสี่พันมัด้กุณฑลีเทพบุตรจกเป็นพระโสดาบันทิ้งแม้ว่าทินกาปุพกกรพรามก็เช่นเดียวกันอาศัยกุณฑลรนี้ความบูชาธรรมเป็นอันมากจะมีแก่เขาด้วยรายการชนนี นี่ว่าไปตอนนี้เป็นการดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าว่าถ้าไปโปรดมัตตโกนลีเทพบุตรที่กำลังจะใกล้จะตาย อ, าาอยู่แบบนี้จะมีผลดังนี้เมื่อโซทราบดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ทรงทำความ ป, ปฏิบัติชำระสรีระร่างกายแล้วมีวิสุว่าล้อมเป็นสงหมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปสู่กองสาวัถีเพื่อจะมดับบาศ ท่านถึงประตูเรือนของพราหม์ตามลำดับในเดเวลานาทีเดียวในขณะนั้นมัตตกุนเดลีมานบกำลังนอนผินหน้าไปข้างเรือนพระศาสซนดาทรงทราบว่าเขาไม่เห็นพระองค์ยิงได้เปลี่ยงลัทสมีไปแว บ, บหนึ่งมานบคิดว่านี่แสงอะไรหนอ ยึงนอนทลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเธอจึงคิดว่าเราอาศัยบิดาที่เป็นผานยังไม่ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่ายเจ้าซึ่งมีพระมหากุณาธิคุณทั้งป่านนี้ทำความขวัขวายดียกายหรือว่าดีการถวายทานหรือดีการฟังธรรมเดวนี้แม้แต่มือดังสองของเราก็ยกไปไหว อีกที่ควรจะทำอย่างอื่นไม่มีนอกจากจะทําใจของเหล่านี้ตั้งอยู่ในความเลื่อมใสในอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไบรรดาท่านหลายเรื่องราวก็งประเทศกรุงดลีเที่ยวปจะมีอีกมากเวลานี้เวลาหมดเส็แล้วสําหรับวันนี้ก็อขอยุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดีจอมีไดรรดาท่านหลายผู้ได้ทราบ